มีวิธีสอบอารมณ์ตัวเองไหมการศึกษาเพื่อเข้าถึงปัญญาหากมีครูสอบอารมณ์แนะนำวิธีการเข้าถึงก็คงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับการปฏิบัติแต่ถ้าหากยังไม่มีโอกาสที่จะเจอครูบาอาจารย์เรามีวิธีที่จะสอบอารมณ์ตัวเองและแก้ไขตัวเองได้ไหมครับหลวงพ่อตอบคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากทีเดียว เป็นคําถามที่จะเดินปัญญาได้ดีมากทีเดียววิธีที่มีการตรวจสอบตัวเองต้องสแสวงหาค ร, รูบาอาจารย์หรือว่าตรวจสอบด้วยตัวเองถ้าใหม่ๆเราไม่เข้าใจเราก็ต้องสแสวงหาค ร, รูบาอาจารย์สแสวงหาสถานที่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ตัวเรานั่นแหละตรวจสอบเราตลอดเวลาถ้าเรารู้จักจเจริญสติเข้าไป น้อมเข้าไปวิเคราะห์อะไรคือสติอะไรคือจิตอะไรคือความคิดอะไรคืออารมณ์เรามีสติเข้าไปหมั่นสังเกตเข้าไปหมั่นวิเคราะห์คอยตรวจสอบจิตของเราอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเกิดอย่างไรจิตของเราไปอย่างไรจิตของเราหลงอะไรเราแพ้ให้กิเลสไหมนี่แหละเราต้องสร้างผู้รู้เข้าไปตรวจสอบจิตของเราตลอดเวลา เราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเราสร้างผู้รู้เข้าไปตรวจสอบเราเหมือนดังคำพูดที่ถามมานั่นแหละดีมากทีเดียวเราต้องสร้างตัวสติเข้าไปตรวจสอบเราตลอดเวลาตรวจสอบไม่ทันเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุม มั่นตรวจสอบใหม่มั่นสังเกตบ่อยๆเป็นคำถามที่ดีมากน่าจะเอาไปประพฤติไปปฏิบัติได้เลยนะคำถามช่วยชี้แนะเรื่องการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตในขั้นต้นด้วยครับผมมีความสงสัยว่าขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นั้นให้เรานึกอะไรเป็นที่มั่นที่ระลึกไว้ บางที่ก็สอนว่าให้นึกถึงการกำหนดลมเข้าออกตั้งแต่ปลายจมูกจนไปถึงท้องแล้วย้อนกลับออกทางจมูกแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครเคยสอนผมว่าไม่ต้องกำหนดอะไรเลยพยายามให้มีคิดเรื่องอะไรเลยซึ่งผมว่ามันทำยากกว่าการกำหนดลมหายใจเสียอีกหรือมีวิธีอื่นๆบ้างไหมครับหลวงพ่อตอบ มันก็ถูกทุกอย่างทั้งสองวิธีนั่นแหละวิธีแรกสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆต้องหาที่พึ่งหาที่ยึดหาที่เกาะอย่างเช่นเรากำหนดประลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตของเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าจิตของเราคิดไปเรื่องอื่นเราก็พยายามระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำบ่อย ใหม่ๆก็อาจจะไม่ชำนาญถ้าเราทำได้ชำนาญแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อเราทำได้ชำนาญแล้วเราไม่กําหนดเลยก็ได้เพียงแค่เราใช้วิธีที่สองคือระลึกรู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้าลมออกมันได้หมดทางวิธีแรกและวิธีที่สองมันก็ถูกหมดนั่นแหละจิตของเราชอบอย่างไร ก็เอาอย่างนั้นขอให้ทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นแค่เพียงสมถะภาวนาเท่านั้นเองอยากจะให้จิตปล่อยวางได้จริงๆเราต้องแยกจิตแยกความคิดแยกรูปแยกนามตามทาความเข้าใจให้จิตยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจิตถึงจะปล่อยวางว่างได้แบบเป็นอิสระที่สุด คำถามเราจะรู้ตอนไหนหรือรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าใจจิตและสติแล้วหรือว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้เองหลวงพ่อตอบจะเข้าใจอย่างไรในเมื่อสติยังไม่ได้สร้างเราต้องสร้างสติการระลึกรู้ตัวส่วนการเกิดการดับของจิตของขันธ์ห้าเขามีอยู่แล้ว เราสร้างความระลึกรู้ตัวเข้าไปดับเข้าไปควบคุมจิตได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าสติที่เราสร้างขึ้นมานั้นส่วนหนึ่งส่วนจิตการควบคุมจิตนั้นก็ส่วนหนึ่งต่อไปข้างหน้าเราก็คลายจิตออกจากขันห้าเราก็จะเห็นจิตเห็นอาการของจิตเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า น, นี้คือสติที่เราได้สร้างขึ้นมาอันนี้คือจิตอันนี้คืออาการของขัน5ตาราบใดที่เรายังแยกไม่ได้หรื อ, อยังไม่ได้สร้างสติเราก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เพราะว่าเราจะเอาแต่ปัญญาโลกโลกมาตัดสินอยู่คำถา ม, ถามเวลาเรามีความเครียดจากการทำงานหรือจากสถานการณ์รอบตัว มีวิธีไหนบ้างช่วยลดหรือกำจัดความเครียดได้ดีที่สุดหลวงพ่อตอบเราต้องเป็นบุคคลที่หัดสังเกตบ่อยๆหมั่นทำความเข้าใจบ่อยๆว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรความเครียดเกิดขึ้นที่กายหรือว่าเกิดขึ้นที่จิตเวลาที่เกิดความเครียดเราจะได้หาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงทีต้องเป็นบุคคลที่หมั่นสังเกต หมั่นวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาอุบายคลายความเครียดหาอุบายวิธีไหนที่จะคลายความเครียดได้เร็วได้ไวเราก็ต้องพยายามทำไม่ใช่ว่าเกิดความเครียดทีถึงจะหาอุบายทีถ้าตามปกติแล้วเราต้องมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์อย่าให้เกิดได้เลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดเราก็รีบกาจัดรีบดับทันที คำถามจะสอนแม่ให้รู้จักสติรู้จักธรรมได้ยังไงแม่เป็นคนความรู้น้อยทำ ม, มาค้าขายไปวันวันต้องพบกับผู้คนมากมายเป็นคนขี้น้อยใจและเกรงใจคนอื่นห่วงใยลูกเกินเหตุชอบไปดูดวงให้ลูกถ้าหมอดูทักไม่ดีก็จะไม่สบายใจตลอดวันวันมีแต่เรื่องของคนอื่นๆอยู่ในสมอง หน้าปวดหัวไม่ยอมปล่อยวางหากไปทักทวงก็จะไม่พอใจไปทำบุญเหมือนกันแต่มเมาบุญเสียมากกว่าชีวิตแม่ก็เลยมีทุกข์มากกว่าสุขสุดท้ายก็ต้องเลิกกับพ่อพ่อคงทนความเจ้ากี้เจ้าการของแม่ไม่ได้จะมีอุบายหลอกแม่ให้รู้จักสติหรือรู้จักธรรมได้ยังไงหลวงพ่อตอบไม่ต้องไปกังวลกับท่านหรอก เรามาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างท่านก็จะมองพิจารณาใคร่ควนว่าตัวของเรานี้แก้ไขตัวของเราดีขึ้นหรือยังหรือว่าเปลี่ยนไปในทางทิศไหนท่านก็จะคอยดูคอยรู้อยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติของผู้เป็นแม่ก็ย่อมรักบุตรเป็นธรรมดามองเห็นลูกทุกคน ถึงจะโตขนาดไหนก็มองเห็นเป็นเด็กอยู่ดีเราพยายามมาป ร, ปรับปรุงแก้ไขตัวของเราก็เท่ากับช่วยเหลือท่านต่อไปข้างหน้าท่านก็จะปรับปรุงตัวของท่านเองได้นั่นแหละคาถามคนที่จิตรุ่มหลงอยู่ในกามรมตูหนังลามกรวมไปถึงประพฤติผิดในกามผิดลุกเมียคนอื่นปรับหนักไหม แล้วมีวิธีผ่อนบาปที่ก่อจากหนักให้เป็นเบาหรือไม่หลวงพ่อตอบก็พยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่บาปมันบาปหนักแน่นอนทำไมถึงว่าบาปหนักเพราะว่าหลงด้วยเราก็ทำผิดด้วยผิดซ้ํซๆำซากซากไม่รู้จักพยายามแก้ไขตัวเองถ้าเรารู้จักแก้ไขตัวเองรู้จักปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา สักวันหนึ่งเราก็จะเดินถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันกันกบองค์ุริมานฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันก็ยังกลับจิตกลับกลายเป็นพระอาหารหันได้ถ้าเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองในทางที่ถูกในทางที่ควรสักวันหนึ่งเราก็จะคลายเดินถึงจุดหมายปลายทางได้คําถาม ลูกน้องไม่ศรัทธาผมเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาอยู่เขาทำงานกันแบบเรื่อยๆไม่มีการพัฒนาอะไรปีแรกผมปล่อยไปก่อนพอขึ้นปีที่สองผมบอกว่าเราต้องช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานและแจ้งนโยบายการทางานให้ฟัง พอพูดออกไปเท่านั้นแหละบางคนเฉยบางคนค้านบอกว่าตราบใดที่ผู้บริหารครองใจเขาไม่ได้เขาจะไม่ยอมพัฒนาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ผมควรทำอย่างไรดีหลวงพ่อตอบเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองทำให้เป็นตัวอย่างให้เป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละการกระทำต้องถึงพร้อมการกระทำต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยการพูดจาการกระทำเราทำให้เป็นตัวอย่างให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านทีนี้บริวารเขาก็จะทำตามความประพฤติปฏิบัติของเราได้เองไม่ต้องกังวลคำถาม จะทำเช่นไรถึงชนะความผูกพันได้การบอกเลิกรักคือเราก็คงรักเขาอยู่ผมเลยคิดว่าอยากรักก็รักไปแต่สิ่งที่ทำให้แย่มากๆคือความผูกพันหลวงพ่อตอบอันนั้นความผูกพันภายนอกแต่ทีนี้ของเรามันคลายความผูกพันภายในไม่ได้คื อ, อยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ ก็เลยคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราคลายตัวภายในไม่ได้ทั้งนอกก็จะผูกพันยึดมั่นถือมั่นไปตลอดถ้าเราอยากจะคลายความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความผูกพันภายนอกได้เราต้องแยกภายในให้ได้เสียก่อนถ้าเราไม่รู้จักจุดปล่อยจุดวางเราก็วางไม่ได้ให้เราจเจริญสติหมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์ แล้วก็มันจเจริญพรมวิหารไปเรื่อยๆถึงวาระถึงเวลาเราก็จะเข้าใจความหมายตรงนี้ได้เองคำถา ม, ถามควรยึดติดกับครูบาอาจารย์คนเดียวหรือไม่หลังๆมานี้ดิฉันได้ไปทำบุญต่างจังหวัดบ่อยๆเติมดิฉันได้แต่ทำบุญที่วัดในกรุงเทพเพราะเห็นว่าสะดวกดีแต่ปรากฏว่า ในการทำบุญทุกครั้งเป็นการทำบาปเพราะได้แต่ตำหนิพระเห็นพุธทธบูชาก็ตีเตียนจนได้มาเจอกับสามีแต่เขาก็เปลี่ยนเราไม่ค่อยได้เพราะปากไม่พูดแต่ใจก็คิดจนบังเอิญขับรถผ่านไปเจอวัดอยู่บนเขาในต่างจังหวัดแทบไม่มีอะไรเลยสาลาก็เป็นเสามีพื้นมีหลังคามุงจากแต่สิ่งที่กระทบใจเราคือ พระที่นั่นท่านสมาถามากค่ะดิฉันเลยไปแต่ที่วัดนี้จนมาวันหนึ่งโลนเพื่อนที่ศึกษาธรรมะต่อว่าว่าไปยึดติดกับครูบาอาจารย์ต้องหมั่นไปทำบุญที่อื่นบ้างจริงๆิแล้วเราควรสอสแสวงหาครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบไม่จําเป็นต้องไปยึดติดกับครูบาอาจารย์ หรือวัดโน้นวัดนี้ไม่จําเป็นต้องไปสอสแสวงหาครูบาอาจารย์อีกด้วยถ้าบุคคลมีสติมีปัญญาจะสร้างครูบาอาจารย์ในตัวของเราในกายของเราอย่างเช่นเรจเจริญสติเข้าไปมันสำรวจกายสำรวจจิตของเรานี้แสดงว่าเราได้สร้างอาจารย์เข้าไปตรวจสอบจิตของเราเป็นลูกศิษย์จิตของเราตอบได้สอบตก จิตของเรายินดีไหมจิตของเราเกิดกิเลสไหมสติของเราคอยตรวจสอบตลอดเวลาเรารู้ไม่ทันเรารู้จักดับรู้จักละรู้จักข่มอยู่ปัจจุบันวางอยู่ปัจจุบันอย่างเดียวนี่แหละเป็นบุคคลที่มีสติมีปัญญาจะเดินก้าวหน้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วไดไวการไปวัด ไปหาครูบาอาจารย์ที่โน้นที่นี้ก็เพื่อจะไปหาแนวทางถ้าเราเข้าใจแนวทางแล้วเราก็เอาเรานั่นแหละเป็นอาจารย์คอยสอบเรารูปรสกลิ่นเสียงเป็นอาจารย์คอยสอบเราตลอดเวลาสติก็จะตรวจสอบเราตลอดเวลานี้แหละจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคำถาม ผิดไหมที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมจะบอกว่าไม่เชื่อก็คงไม่ใช่จะบอกว่าเชื่อก็ไม่ใช่แต่ความไม่เชื่อมันเยอะกว่านรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าก็เหมือนกันแต่ก็ไม่วายเป็นกังวลว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทําให้ทั้งการนั่งสมาธิทั้งการดูจิตของผมมันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหลวงพ่อตอบ ถูกต้องที่สุดสิ่งที่กังวลพวกนี้แหละทำให้จิตไม่เป็นสมาธิเพราะความกังวลตรงนี้มันไปปิดกั้นเอาไว้หมดถ้าอยากจะรู้เรื่องกรรมเราต้องเข้าใจถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงจริงเราต้องเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนามเราก็จะเข้าใจเรื่องกรรมวิบากกรรมขันธมานนั่น เป็นตัวกรรมที่มาปรุงแต่งจิตของเราให้บนเบียนไหวตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เสียก่อนถึงจะเข้าใจเรื่องกรรมได้ดีถ้าเรายังไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลในหลักของพุทธศาสนานั้นท่านให้ลาทิฏฐิละมานะละความคิดเห็นเก่าๆของเราออกให้มันหมด แล้วเจริญตามรอยที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยแล้วค่อยเชื่อระับใดที่เรายังเดินไม่ถึงตรงนี้เราอย่าเอาทิฏฐิมานะของเราขุดขึ้นมาโต้แยง้งให้เราพยายามดับพยายามควบคุมแล้วเดินตามทางที่พระพุทธองค์ท่านชี้แนะไว้ก่อนถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้ว ความไม่เชื่อของเราก็จะหายไปเองความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจก็จะตามมาแล้วตามทำความเข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องพยายามกลับใจใหม่นะคำถา ม, ถามเรื่องกรรมถ้าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมแล้วชาติแรกของเราเป็นยังไงหลวงพ่อตอบเอาชาติปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเถอะ อย่าไปสาวถึงที่ไปที่มาตรงนั้นเลยขนาดสติอยู่ปัจจุบันรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเรายังทำไม่ได้ต่อเนื่องกันเลยยังจะไปเอาพวกก่อนก่อนชาติก่อนก่อนไรสาระไรประโยชน์เอาอยู่ปัจจุบันให้ได้ทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์อยู่ปัจจุบันเราก็จะมองเห็นทางอยากจะรู้ปัจจุบันของเรา เราก็มองอดีตของเราว่าสร้างมาอย่างไรปัจจุบันของเราได้รับความสุขอย่างไรถ้าเราอยากจะรู้อนาคตเราก็ต้องดูเราอยู่ปัจจุบันนี้แหละว่าเราได้สร้างคุณงามความดีจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์อยู่ปัจจุบันอนาคตก็จะออกมาดีเองคำถามทำไงกับมแมลงสาบดีตีมันทุกวันบาปก็รู้ว่าบาป แต่ไม่ตีมันก็มาบ้านเราทำไงดีหลวงพ่อตอบเราก็ใช้ปัญญาหาทางหลบกลีกหรือใช้วิธีอื่นเอายาหรือสารอะไรไปโปรยไม่ให้เขาเข้าใกล้ถึงวาระเวลาเขาก็จะไปเองนั่นแหละอย่าไปใช้อารมณ์กับเขาเห็นแล้วบางทีจิตมันนึกมันคิดไปก่อนว่าจะทำลายเขาเราต้องไปดับ ควบคุมภายในของเราข้างนอกเราแก้ปัญหาไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลสักวันเขาก็หายไปเองนั่นแหละคำถามเป็นคนโมหะแรงผมเคยไปอบรมเรื่องนพรักษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแจกแจงบุคลิกลักษณะของคนไว้เก้าประเภทและผมเป็นพวกรักเก้า คือพวกประีประนอมอะไรยังไงก็ได้อย่าให้มันมีปัญหาก็แล้วกันเพราะเป็นคนกลัวเรื่องการตัดสินปัญหานั่นเองนอกจากนี้ยังติดสบายติดสุขแบบว่าขอให้ได้ทำอะไรที่ถูกใจอยู่ได้เป็นวันๆอย่างเช่นการเล่นเน็ตนี่ก็เปลี่ยนมาเรื่อยสุดท้ายตอนนี้ติดเว็บธรรมะตูจิตยังกลายเป็นเรื่องรอง งานอาชีพยิ่งกลายเป็นอะไรที่ไม่มองเลยทำน้อยมากดีว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวและกิจการก็พอไปได้ด้วยตัวของมันเองแต่ปัญหาก็เริ่มตั้งเขามาให้เห็นบ้างแล้วจึงทำให้คิดว่าผมเป็นพวกโมหะแรงคือหลงในความสุขสบายชั่วครั้งชั่วคราวไปวันๆหลวงพ่อตอบมันก็ดีแล้ว ของคนก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากเด็กพัฒนาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมีความเสียสละจะให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงนั้นมันก็ต้องพยายามมีความเพียรให้ต่อเนื่องแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรกันจริงๆเราจะให้รู้ปุ๊บปับ๊บมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกับเราปลูกผลไม้สักต้นเราจะไปเร่งให้เขาออกดอกออกผลวันนี้ ก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยหมันรดน้ำหมันพรวนดินถ้าถึงการถึงเวลาเขาก็จะออกต่อออกผลให้เราการประพฤติปฏิบัติจิตก็เหมือนกันเราจะไปรีบไปเร่งก็ไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆการสารวจทำความเข้าใจของเรามีวันนี้จิตของเรารู้ระดับนี้วันพรุ่งนี้ จิตของเรารู้ระดับนี้บางทีจิตของเราอาจจะไปแวะเที่ยวเล่นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเราก็พยายามหมั่นขัดเกลาหมั่นประทับประทองให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางสักวันหนึ่งก็คงจะไปถึงจุดหมายปลายทางโชคดีนะที่เล่าให้ฟังลักษณะอย่างนี้กับภาวะสมมติก็ยังไม่ได้เดือดร้อน แสดงว่าอานิสงก็ยังมีอยู่ระดับหนึ่งทีนี้ก็ยังเพียงแค่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเกิดการดับของจิตซึ่งเป็นฝ่ายนามาทำให้ละเอียดเท่านั้นเองถ้าถึงวาระเวลาก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เองอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่าไปโทษตัวเองว่าเป็นโมหาจริตไม่ใช่ค่อยดาเนินไปเรื่อย ถึงวาระถึงเวลาก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เองพยายามให้มันถึงนะคำถามถ้าแยกรูปแยกนามแล้วจะใช้ชีวิตไปในทิศทางใดเคยอ่านและได้ฟังจากหลายๆท่านว่าต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนหากแยกได้แล้วผู้นั้นจะคิดเห็นหรือทำเช่นใดในการดาเนินชีวิตปกติ หลวงพ่อตอบเราต้องทำความเข้าใจกับสมมุติทำความเข้าใจกับวิมุตติเราถึงจะอยู่กับสมมุติอย่างมีความสุขอยู่กับวิมุตติอย่างมีความสุขเพราะว่าทำกับโลกก็อาศัยกันอยู่จิตกับกายก็อาศัยกันอยู่เราต้องทำความเข้าใจกับสมมุติให้หมดแล้วก็ทำความเข้าใจกับวิมุตติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อิงอาศัยกันอยู่หมด เราจะไปละสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีลมหายใจอยู่กายของเราก็ยังอาศัยสมมุติอยู่ถ้าเราอยากจะอยู่ดีมีความสุขเราก็ต้องทําความเข้าใจให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆปล่อยวางวางที่จิตทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์นั่นแหละดีที่สุด บริหารสมมุติได้อย่างไรเราต้องรู้จักวิเคราะห์พิจารณาในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดขณะที่เราบริหารขณะที่เราทำนั้นเราเดือดร้อนไหมไกายของเราเดือดร้อนไหมจิตของเราเดือดร้อนไหมสมมุติภายนอกเขาเดือดร้อนไหมเราต้องวิเคราะห์พิจารณาให้มันรอบทั้งภายในรอบทั้งภายนอกผิดพลาด เราแก้ไขใหม่จนถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นแหละคำถามนั่งสมาธิแล้วเส้นตึงปวดหลังหลวงพ่อตอบกายของเราเป็นก้อนทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ยืนนานก็ทุกข์ให้เราทำความเข้าใจถ้าเราอยากจะผ่านพ้นเบธนาตรงนี้เราก็ต้องพยายามนั่งให้นา น, น, าน เวทนาเล็กเวทนาน้อยเวทนาใหญ่จนมหาเวทนาแต่มันก็ยังเป็นก้อนทุกข์อยู่ดีนั่นแหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะวางทุกข์ตรงนี้ได้ให้เราทำความเข้าใจกับเขาเสียจิตของเราก็จะไม่ไปกังวลยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเราก็คลายตรงนั้นได้เราก็ไปละไปดบับไปวางที่จิต แต่กายของเราก็เป็นก้อนทุกข์อยู่ดีนั่นแหละให้เราทำความเข้าใจกับเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตของเราก็จะมีความสุขเองคำถามพระอริยะกับอริยกรรมในชีวิตประจำวันเราอาจไม่รู้ว่าใครเป็นใครเช่นพระอริยะเพราะท่านอาจบอกหรือไม่บอกเราก็ได้ แต่ถ้าท่านไม่บอกแล้วบางเอิญมีคนประมาทท่านท่านก็คงให้อภัยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดซ้ำซ้ำซึ่งกรรมย่อมเกิดแก่เขาผู้นั้นเป็นแน่การที่ท่านมีพรหมวิหารสี่ท่านน่าจะใช้ธรรมะข้อใดามาใช้ในการอยู่ร่วมกับเขาเหล่านั้นหลวงพ่อตอบใช้อุเบกขารักษาตัวเราและรักษาตัวเขา เราต้องพยายามมั่นสํารวมสัมรกายอินทรีย์ของเราตลอดเวลารักษาตัวเราหมั่นระวังไม่ให้เกิดวิบากกรรมแม้ตั้งแต่ความคิดเราก็ไม่ให้เกิดอกุศลแม้แต่กายแม้แต่วาจาของเราก็ไม่ให้เกิดอกุศล น, นี่แหละสํารวมตัวเราด้วยรักษาตัวเราด้วยและรักษาคนอื่นด้วยถ้าเราอยากจะรู้ตรงนี้ เราต้องฝึกฝนตนเองให้จิตของเราแยกรูปแยกนามชำระศาสางกิเลสได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะเข้าใจว่าบุคคลอยู่ในระดับไหนจิตอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยากเห็นพระอริยะเราต้องทำจิตของเราให้ถึงพระอริยะเราก็จะรู้ได้เองคาถามปิดไฟทาสมาธิดี หรือเปิดไฟดีเพิ่งจะหัดนั่งสมาธิแบบเปิดไฟแล้วดูเหมือนมีสมาธิง่ายกว่ามีอยู่วันหนึ่งกำลังนั่งได้ที่พอดีโคมไฟที่เปิดไว้ดับวูบจากที่สงบอยู่ก็กลายมาเป็นขนลุกสู้เพราะมืดสนิทและหนาวด้วยประมาณตีหนึ่งก็ปรุงแต่งกันไปสงสัยเทวดากแกล้งเลยต้องออกจากสมาธิเข้านอนดีกว่า ปกตินั่งสมาธิกันอย่างไรหรือครับหลวงพ่อตอบเปิดไฟก็ดีปิดไฟก็ดีถ้าจะพิจารณาดูตรงนี้เราต้องพิจารณาดูกายของเราตาเขามีหน้าที่ดูเราห้ามตาไม่ให้ดูได้ไหมหูมีหน้าที่ฟังเราห้ามหูได้ไหมเราต้องทำความเข้าใจให้ได้ทุกอิริยาบถนั่นแหละ เปิดตาดูทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เราก็รู้จิตของเราว่าจิตของเราเกิดกิเลสไหมจิตปกติไหมผลักใสไหมดึงเข้ามาไหมจุดหมายปลายทางเราเข้าไปให้ถึงจิตตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาแค่เปิดไฟแค่ดับไฟทำสมาธิถ้าเราเข้าใจแล้วยืนเดินนั่งนอน ก็เป็นแค่เพียงอิดิยาบทแม้แต่ร้องเพลงอยู่จิตก็เป็นสมาธิถ้าจิตปล่อยวางแล้วคำถามไตรลักษณ์สติปัจจุบันผ่านบทเพลงล e ฟ์แอนเลนเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตรเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหนเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน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 อันนี้เรามองอยู่เฉพาะเพียงแค่ระดับของโลกิยะระดับของสมมุติเท่านั้นเองเราต้องพยายามมองให้ลึกคลายจิตของเราออกจากความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นปรมัดหรือว่าให้จิตอยู่เหนือสมมุติต่างๆให้จิตของเราอยู่ในความสะอาดความบริสุทธิ์และมองโลกในทางที่ดีคิดดี เราก็จะมองเห็นความจริงของชีวิตขึ้นมาทันทีไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปเสียใจกับโลกธรรมแปดเขาเพราะโลกธรรมแปก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องพยายามคลายจิตของเราออกดูรับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เข้าไปหลงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็จะอยู่กับสมมุติอย่างมีความสงบความสุข อยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนหรอกนู่นแหละหมดลมหายใจนั่นแหละเราถึงจะพลากจากสมมุติตรงนี้ไปได้